สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะ่ะมาถึงวันศุกร์แล้วนะคะสำหรับรายการสัมสนีสนทนาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM106 และสถานีวิทยุในเครือพระพุทธศาสนาแห่งชาติคะ่ะ mm hmm. เริ่มต้นด้วยการให้ท่านผู้ฟังได้ปฏิบัติธรรมในแนวทางของพุทธวจนะซึ่งนำโดยพระมาร์คชาคาวโรตลอดจนอ่านพระสูตรให้ฟังซึ่งวันนี้ก็ได้ทราบว่ามีพระสูตรที่น่าสนใจนะคะ เชิญพบกับพระมาร์คชาคาวโรได้เลยค่ะนามส ก, การกระทั้งค่ะเจริญพรวันนี้เราก็มาปฏิบัติทำความเพียรเผาเกรดด้วยการนั่งสมาธิหรือว่ารู้อยู่กับการเคลื่อนไหวหรืออิริบทต่างๆของกาย <c oughs> แล้วก็พระสูตรที่จะอ่านให้ฟังวันนี้จะเป็นเรื่องของการที่เมื่อเรามาปฏิบัตินี้พระพุทธเจ้าให้เป็นผู้ที่มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียว ด้การละความเพลินต่างๆนี่แล้วก็พร้อมแล้วเราก็มาเริ่มนั่งสมาธิได้เลยแล้วก็จะอ่านพระสูตรนี้ให้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนมิคชาละถึงเรื่องของการเป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวไว้โดยท่านตรัสไว้ว่าดูก่อนมิคชาละรูปทั้งหลายอันจะพึงเห็นได้ด้วยตาเสียงทั้งหลาย อันจะพึงได้ยินด้วยหูกลิ่นทั้งหลายอันจะพึงดมด้วยจมูกรสทั้งหลายอันจะพึงลิ้มด้วยลิ้นผดทะพะทั้งหลายอันจะพึงสัมผัสด้วยผิวกายและธรรมารมณ์ทั้งหลายอันจะพึงรู้แจ้งด้วยใจก็ดีอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจ มีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความพอใจเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าหากว่าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสผูดถัพพะและทำอารมณ์นั้นใส่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 อันเกลี่นกลนไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายด้วยพระราชามหาอ ม, มากของพระราชาทั้งหลายด้วยเดียรถีสาวกของเดียรถีทั้งหลายก็ตามภิกษุนั้นเราก็เรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวโดยแท้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 เพระนั้นในการที่เรามาทําความเพลยนเผากิเลตถ้าเราเห็นสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสปดทพะทําลมแล้วก็ให้เราไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาเมื่อเราไม่ทําอย่างนี้ความเพลินก็ไม่มีเมื่อความเพลินก็ไม่มีความพอใจอย่างแรงกล้าก็ไม่มี เมื่อความพอใจอย่างแรงกล้าไม่มีสัญญะคือความผูกจิตติดกับอารมณ์ก็ไม่มีเมื่อเราไม่มีการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอํานาจแห่งความเพลินพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเรียกว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวและในการที่เรามีอารมณ์ต่างๆมากระทบนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ให้เรารีบวางให้ไว โดยท่านได้ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันเบิงเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นหากดับไปเร็วเหมือนการกระพิบตาของคนส่วนอุเบกขายังคงดำรงอยู่นี้แลเราเรียกว่าอินทร์ภาวนาชั้นเลิศ ในอรียวินัยนี้เพราะนั้นในการทำความเพียรก็ให้เราอย่าเพลิดเพลินในรูปเสียงกลินล่นรสพทธพธรรมรมณ์และให้วางอารมณ์ต่างๆในวัยดุดกระเบิดตาสำหรับวันนี้เราก็ปฏิบัติมาได้สมควรแก่เวลาก็ค่อยๆอ อ, ออกจากสมาธิแล้วก็ผ่อในใคลายเอรีบทได้ค่ะท่านฟังคะ่ะฟังท่านมาร์คในวันนี้ดิฉันเชื่อว่าจะทาให้เราเข้าใจ ได้อย่างทองแท้เลยนะคะว่าพระพุทธองค์นั้นตรัสสอนไว้อย่างชัดเจนมากวันนี้ก็มาถึงขั้นที่ว่าเราสามารถจะเป็นผู้ที่มีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศได้ถ้าหากว่ารู้วิธีที่จะละความเพลินให้เร็วมากที่สุดเท่ากับพริบตานะคะก็นำมาส ก, การขอบพระคุณท่านมาชาคอโรนะคะแห่งวนาประพง์ลำลูกกาคลอง1ิติดตาม บรรยากาศแบบนี้กันได้ตั้งแต่ตอนต้นของรายการสันสนีสนทนาได้เป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์หยุดไปเราก็มาฟังท่านมาร์คได้ใหม่นะคะในวันจันทร์ค่ะแต่ว่ารายการของเรายังไม่จบนะคะเดี๋ยวพบกับพระภัยบูรณ์อภิบุญโนค่ะ